อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะพอเปิดสถานีในเวลาตีห้าของทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีรายการธรรมรับอรุณมารับอรุณกับท่านผู <S <S ้ฟังทางบ้าน <S <S ทุกท่านนะคะช่วยให้ท่านได้รับอรุณในสิ่งที่เป็นมงคลธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสาธยาย โดยพระอาจารย์ซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคุ้นเคยดีนะคะตอนนี้ท่านเป็นได้รับนิมนต์ที่จะเป็นองค์ปารถกประจํารายการธรรมราบุรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็คือพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่เป็นผู้อานวยการหลักสูตรการปฏิบัติธรรมหลักสูตรหลีกเล้นตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศก ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไห่โศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็วัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดที่ตัวผโซหรือท่านพระคุณสิทธิภที่พระภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสที่ได้รับการเคารพนับถือแล้วก็มีลูกศิษย์โูกหาทั่วประเทศเลยนะค ะ, ะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านที่ตามรับฟังรายการของเราโดยเสมอมาตั้งแต่ในปีที่แล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับไม่ว่าจะฟัง หลวงพ่อดรสะอาดจิตตพัศหรือพระอาจารย์ปรีบุญอภิบุรโนได้สาธยายหรือว่าบรรยายธรรมในรายการธรรมารารุลณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเสนอมานั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าคงจะมีหลายท่านค่ะที่ว่าได้ติดตามมานะคะอย่างเช่นาทางพระอาจารย์เองก็เปิดเว็บไซต์ p พียวธรร m ะคอที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านาเขียน าถามอะไรต่างๆเข้ามาซึ่งก็ทราบว่าได้มีการาเขียนจดหมายเข้ามามากอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณรงศรีบุญเรืองก็ได้เขียนมาถึงพระอาจารย์ไพบุญอภิปูนนะคะที่คุณรงก็เขียนมาจาก อ, า อ, าอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนู่นนะคะแล้วก็บอกเลยว่ า, าทำให้เมื่อรราฟังรายการอย่างสม่าเสมอเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยดีขึ้น แล้วก็ยังรู้สึกว่าเป็นมงคลต่อชีวิตยอย่างมากทีเดียวในการที่จะได้มารับฟังพระอาจารย์ไพบุญลภิปุโนได้สักษาหรือว่าสนทนาสาทยายธรรมทำให้คุณรงสีบุญเรืองนั้นมีกำลังใจที่จะทำในสิ่งที่ดีที่สุดมากขึ้นและก็ตลอดไปแล้วก็ยังได้กราบเรียนมาด้วยว่านะคะว่าทำให้คุณรงเนี่ยจากการได้ฟังพระอาจารย์ไพบุได้พูดคุยในรายการธรรมารุลแล้ว ก็ทําให้คุณรงศรีบุญเรืองอได้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าเป็นสิ่งลึกลับซับซ้อนอะไรแต่ว่าเป็นการปฏิบัติตามปกติของชีวิตประจําวันเรานั่นเองแต่ก็จะทําให้ผู้ปฏิบัตินั้ น, นมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงนะคะเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยกำลังต้องการมากที่สุดในเวลานี้แล้วก็กราบขอบพระคุณอพอาจารย์มารวมทั้งก็ชื่นชม รายการธรรมรัปอะรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมานะคะอันนี้ในานามของผู้อำนวยการสถานีคือคุณภัยทู Python, ลฮิรันประดิษฐ์เช่นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะที่ได้ติดตามรายการดีๆของเราอย่างนี้แล้วก็นั่นก็คือจุดมุ่งหมายของทางสถานีและของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่จะนําสิ่งที่ดีๆเป็นมงคลมาสู่ท่านผู้ฟังนะคะเอาละครดิฉันเกินมายาวมากเลยเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่ A 8 มกราคมนะคะอย่างที่ได้เรียนว่าวันนี้เป็นวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนยี่ปีเถาะค่ะเป็นวันธรรมสวรรคหรือวันพระดังนั้นการที่เราได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังสิ่งที่เป็นมงคลในวันธรรมสวรรคหรือวันพระนั้นก็คิดว่าเป็นมงคลสองต่อทีเดียวนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการอาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขาเสียงเบาอั สาธุเจ้าค่ะอย่างที่ยมเกริ่นมาเนีเจ้าคะ่ะทราบว่ายังมีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ว่าเขียนเข้ามาทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็เขียนจดหมายไปที่วัดป่า mm hmm. ดอนไหโซกันเจ้าคะ่ะรวมทั้งได้กล่าวถึงพ ร, ระบิดาคุณหลวงพ่อดรสอาดธิตโอภโสด้วยดังนั้นในเช้าวันอาทิตย์วันนี้เจ้าคะ่ะยม mm hmm. อยากขอกราบอนุญาตนะเจ้าคะที่จะให้พระอาจารย์ไพบุญอ ภ, ภิปุโนได้เมตตาที่จ ะ, ะเล่าหรือว่าชี้แจงถึงแนวทางสักนิดนึง mm hmm. ว่านในปีใหม่พุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบห้านี้ อาพระอาจารย์และเพตรพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ดูพระสูท่านจดอาวาตรัสปาดอนไหาโศกนั้นวางแนวทางที่จะเผยแผ่หรือว่าเผยแพร่ธรรมะหรือพุทธวจนะขององค์พระศามาสัมพุทธเจ้าให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธศ า, าสนกชนของเราได้รับทราบเป็นมงคลแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะเชิญพา น, นก็อาศัยเหตุปัจจัยที่คุณรงศรีบุญเรืองได้เขียนเข้ามานะก็จะพูดถึงประเด็นที่ ว่าในปี2555เนี่ยเราจะดำเนินแนวทางในการาแสดงธรรมหรือว่าของรายการธรรมะรับอรุณเนี่ยไปในทิศทางไหนก็ได้คุยประชุมกับคุณเตือนใจด้วยแล้วก็ทีมงานต่างๆด้วยเนี่ยเรากา็คิดว่าเราจะดำเนินวิธีการเดิมนี่แหละคือใช้พุทธวจนะนนในการ ท, ที่จะเผยแพร่คำสอนของพพุทธเจ้าต่อไปซึ่งในเรื่องนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอา๊ะมันไม่เหมือนเหมือนกับที่เราเคยเคยฟังมา แนะบางอย่างเนี่ยคนนั้นคนนี้ครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเขียนหนังสือขึ้นมาอะไรบัญญัติอะไรขึ้นมาก็จะเป็นสิ่งที่ท่านเหล่านั้นได้คิดค้นขึ้นมานะเราก็ยกเอาไว้ก่อนอสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์การทําความเข้าใจให้ถูกเราก็จะวิเคราะห์เฉพาะส่วนที่เป็นพุทธวจนะไว้เลยนะเพื่อความง่ายาในการปฏิบัติแล้วก็บางทีมันอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรเนะพราะว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็พระพุทธเจ้าก็จะสอนสิ่งที่มัน ค่อนข้างจะปฏิบัติได้จริงนะก็ไม่ได้ถึงกับว่า ย, ยากหรือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวก็จะมีความง่ายแล้วก็ความสะดวกอยู่ในตัวด้วยแล้วก็ความละเอียดรอบครอบของสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยนะยังมีอีกหลายประเด็นที่ถ้าจจะมาได้ค้นพบเพิ่มเติมก็จะนํามาพูดให้ฟังเกิดมาเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านสมัยก่อนที่เราจะบวชเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก <Okay. S 1> ว่าอจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไร แล้วทําไมเราต้องมาทำความเข้าใจในคําสอนพระเจ้าแล้วมันทําไมมันยากขนาดนี้มันต้องอะไรเตรียมการหลายๆอย่างจริงๆพอเรามาศึกษาจริงๆเนี่ยคุณเตือนใจเราพบว่ามั น, ม, นมันไม่เป็นอย่างนั้นไงทำให้เราก็ามีความกระจ่างขึ้นมาหลายๆประเด็นก็เลยนําเรื่องราวเหล่านี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วในปี2555เนี่ยก็คิดว่าเป็นปีที่ที่ดีเพราะว่าคําสอนเนี่ย คือถ้าจะพูดถึงตัวของอาตมาเองนะคุณตันจเราก็ที่วัดป่าตอนไห้โศกของเราเนี่ยจะมีการหลีกเร้นอยู่เป็นประจำนะซึ่งตัว <Okay. S 1> ตัวอาตมาเองเนี่ยได้รับอ น, นิสงส์อย่างเต็มที่เลยนะในการหลีกเร้นเพราะว่าเราบอกให้คนอื่งเขาไม่คุยใช่ไหมเราก็ต้องมาไม่คุยด้วยเราบอกให้คนอื่งก็นั่งสมาธิเราก็ต้องนั่งสมาธิด้วย <Okay. S 1> แล้วซึ่งตรงนี้มันช่วยทําให้จิตของเราเนี่ยละเอียดลงไปแล้วก็เห็นประเด็นธรรมะอะไรต่างๆที่มากขึ้น แล้วเราก็จะสามารถทำให้นำข้อมูลมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังได้อย่างเต็มที่ด้วยจะสังเกตได้เหมือนกันว่าในข้อมูลที่เรานำมานำเสนอเนี่ยมันก็จะบางทีก็ฟังแล้วมันก็เหมือนกับว่าเออมันเข้าใจดีเหมือนกันนะคือเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เคยเห็นมุมนี้มาก่อนอาตมาเองก็เหมือนกันอาจจะไม่ได้เคยมองมุมนี้มาก่อนเหมือนกันแล้วคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งกันเข้ามาเนี่ย จริงๆแล้วมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยบางคนไม่กล้าถามอย่างเงี้ยคุณเตนใจก็เก็บคําถามาไว้เองเป็นหลายๆปีหลายๆ10ปีอย่างเงี้ยไม่กล้าถามก็ต้องบอกกับทางผู้ฟังผ่านคุณเตนใจนี้ด้วยว่าขอให้ถามเถอะนะเพราะว่าคําคถามบางทีของเราเนี่ยมันไปสอดคล้องกับของคนอื่นนะซึ่งทําให้พอเราถามปุ๊บคนอื่นเขาก็บางคนไม่สามารถที่จะกําหนดบทเพี ย, ยในชนะในการถามได้นะ พอพอเราถาม <Okay. S 1> ขึ้นมาตุ๊บเขาว่าโอ้ใช่ใช่ฉันก็สงสัยอย่างนี้เหมือนกันแม้แต่ไม่รู้จะถามยังไงดีล้วแหละที่เธอถามถ้าอาจารย์ช่วยตอบหน่อยอย่างเงี้ยก็จะมีประโยชน์กับหลายคนขึ้นมาเหมือนกันตอน <Okay. S 1> ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเองก็เคยบอกภิกษุนะบอกว่าถ้าถามเองไม่ได้นะก็ฝากเพื่อนถามนะฝากเพื่อนถามก็ได้ให้จะได้ให้ใคลายความสงสัยคลายความเห็นแย้งหรืออย่างบางทีคุณเตือนใจเอาถามคำตอบของท่านผู้ฟังมาถามอย่างเงี้ย ตัวเราเองก็คลายความสงสัยไปด้วยเนาะเจ้าค่ะก็ปล่อยมีความรู้ไปด้วยใช่ใชแล้วยม<ช>คิดว่าอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าบางที อ, อาจจะมีหลายๆท่านผู้ฟังอย่างเช่นคุณนรงอย่างนี้เป็นต้นท่านได้เขียนมาชื่นชมรายการมากกว่านั้นนะคะว่าอาจจะบอกอท่านบอกเลยว่าเมื่อท่านฟังรายการแล้วเนี่ยจะเห็นว่ารายการของเรานั้นเนี่ยเป็นรายการที่ว่าเหมือนธรรมะของพระพุทธองค์ที่ไม่ยุ่งยากอะไรเ่ยเจ้าค่ะแล้วยังบอกเลยว่า พอฟังแล้วเนี่ยเมื่อนําไปปฏิบัติเนี่ยฟังทำที่ดีก็ทําให้เกิดปิติและเป็นมงคลต่อชีวิตอย่างมากทีเดียวก็ทําให้ท่านเนี่ยมีกําลังใจที่จะทําสิ่งที่ดีให้มากขึ้นและก็ตลอดไปดังนั้นเนี่ยก็เลยโยมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็คงจะตรงกับใจของท่านผู้ฟังหลายๆท่านรวมทั้งแม้แต่โยมเองนะเจ้าค้าที่ได้มีบุญได้มาเป็นผู้ที่จะสอบถามแทนท่านผู้ฟังในรายการธรรมรับอรุณ หลังจากที่ผ่านมาปีกว่าแล้วเนี่ยตั้งแต่โยมยังดํำรงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าคะ่ะ<ช>ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นรองอธิบดีเนี่ยโยมคิดว่าโยมได้ศึกษาลึกซึ้งในพระธรรมคําสอนตามพุทธวจนะมากขึ้นแล้วโยมก็คิดว่าโยมได้อนุเสียงตรงนี้เจ้าคะ่ะตรงที่มีจิตใจสงบแล้วก็จะมไม่รู้สึกว่าไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบนะเจ้าคะ่ะผัชอะไรมากระทบเนี่ยโยมจะสงบอยู่ได้เจ้าคะ่ะแล้วก็เป็นสุขอยู่ได้ คือแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่โยมคิดว่าอันนี้มันเป็นอนิสงส์ของการที่เราได้ฟังธรรมะสิ่งที่ดีๆแล้วก็ปฏิบัติด้วยถูกไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องถูกเพลงเลยเจ้าค่ะคนฟังธรรมแล้วจะมีศรัทธามีศรัทธาแล้วจะมีปีติมีปีติมีสุขมีสุขจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอะไรมากระทบเราก็ไม่หวั่นไหวสั่นสะานสเตือนใช่ไหมเพราะว่าอาศัยเหตุปัจจัยการฟังธรรมเท่านั้นเองเนี่คือความอัศจรรย์กุญแจใจที่ปรากฏมีขึ้นเพราะการมีของสัมมาสัมพุทธเจ้า สมมติว่าถ้าไม่มีสมณะโคดมมาตัสรูนนะคืออัตมาก็จะไม่มีกำลังในการที่จะมายืนยันนั่งยันว่าเอาเธอถ้าเขาด่ากันในทีวีนะเธอควรจะรู้สึกละอายเธออย่าไปด่ากับเขานะเธอควรมีจิตเมตตานะเขากลงกันแย่งกันนะเราควรจะมีเมตตานะเราอย่าไปเบียดเบียนใครนะเราจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ไงถ้าผมว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยทวนกระแสเอาไว้ แต่เพราะมีพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสเอาไว้มาแสดงธรรมตรงนี้ไว้ทําให้อาัมามีความมั่นใจว่าเราพูดได้ทุกวันเลยวันละหลายๆรอบก็นด้ตลอดทั้งชีวิตเราก็ยังต้องพูดว่าเออให้ท่านทั้งหลายให้อยู่ในกุศลธรรมนะใครจะทําชั่วช่างหัวมันแล้วเราทําความดีเอาไว้ให้มั่นใจแล้วพอเราทําความดีตรงเนี้ยที่แนี่นจะเป็นที่พึ่งของเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็สบายใจอย่าไปตามคนเลยถ้าคนหนึ่งเขาทำไม่ดีอย่าไปตามเขาอย่างนี้เราก็ทวนกระแสได้เราจะมีความมั่นใจ แล้วในในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราอาศัยศรัทธาที่เรามีเกิดจากการฟังธรรมมานะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือการที่อาตมาอยู่เป็นพระสงฆ์ได้อย่างเงี้ยหรือว่าเรามาสามารถศึกษาธรรมะได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งลงไปเนี่ยก็ต้องอาศัยความอุปการะของครูอาจารย์ของเรานั่นคือหลวงพ่อดออรสะที่หลายๆท่านอาจจ ะ, จะได้ยินที่คุณเตือนใจพูดถึงหลวงพ่ออยู่บ่อยๆใช่ไหมว่าอาตมา <Okay. S 1> เป็นสิทธิเอกของท่านหลวงพ่อ รเราตอรสะาทีโตภโสใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็ <Okay. S 1> ได้อาศัยท่านนี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานในการที่จะคอยแนะนําบอกสอนเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีบุญคุณกับเราในการที่จะคอยชี้แนะชี้นําว่าเออให้เราทําจิตอย่างนี้จิตเราจะละอาสวะได้อย่างนี้จิตเราจะตั้งมั่นได้อย่างนี้ทําให้อัตมาเนี่ยอยู่ได้ทําให้อัตมาเนี่ยเห็นแง่ <Okay. S 1> มุมต่างๆเพราะฉะนั้นก็มีครูบาอาจารย์คอยแนะนําบอกสอนนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ที่ดีที่ถูกต้องนั่นแหละถ้าโอกาส <Okay. S 1> พอเหมพอจ่อ บางทีหลวงพ่อท่านก็จะมาร่วมสนทนาในรายการด้วยเหมือนกันซึ่งในปีสองพห้าสิบห้าก็อาจจะมีคิวที่เราจัดไว้สำหรับหลวงพ่ออยู่เหมือนกันแหละเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เพื่อจะได้ให้ทุกฝั่งทางบ้านหลังจากที่ได้ฟังชื่อเสียงของเพื่อประโยชหลวงพ่อดรสะอาดนะเจ้าคะในรายการของเราเป็นประจำนั้นเนี่ยก็จะมีบางโอกาสที่เราจะกราบนิมนต์ให้หลวงพ่อดรสะอาดที่ทป่าโสได้มา พูดคุยแล้วก็ชี้แนะแก่ท่านผู้ฟังเหมือนอย่างเช่นที่เราเคยปฏิบัติมาบางคร<ช>ั้งบางคราวถูกไหมเจ้าคะใช่ใชเจ้าค่ะแล้วสําหรับในปีใหม่นี้เจ้าค่ะที่ว่าทางวัดป่าดอนไฮโศกนะเจ้าคะนอกจากสิ่งที่เราได้มีเปิดการอบรมนะเจ้าค่ะโดยที่หลวงพ่อดรสะอาดเองนั้นเนี่ยก็จะเป็นองค์ที่จะต้องคอยม า, อาควบคุมดูแลหลักสูตร ตามที่พระอาจารย์ภบูลุญอภิวิโนเป็นผู้อำนวยการนะเจ้าคะ อ, อย่างที่โยมเคยไปปฏิบัติมา น, นี้นี่ก็จะเห็นว่าหลวงพ่อก็จะลงมาอย่างผู้ปฏิบัติธรรมทุกวันแล้วก็ยังช่วยเทศให้แล้วก็เป็นชี้แนะอะไหรหลายอย่างนะเจ้าคะ อ, อันนี้หลวงพ่อก็ยังดําเนินการเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเจ้าคะคือเราคิดว่าวิธีนี้ ม, นมันได้ผลคือไม่ใช่แค่ว่าเรามีรายการทางวิทยุใช่ไหมแล้วให้ทั้งหมดฟังฟังนั่งสมาธิอยู่กับบ้านอันนี้ได้ผลแน่ อย่างที่จดหมายของท่านผู้ฟังหลายๆท่านเขียนมามีคุณรงเป็นต้นนะนะทีนี้นั่นคือการปฏิบัติาการปฏิบัติเนี่ยท่านผู้ฟังทำได้ตลอดนะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเอาแค่ว่าเราไม่ด่าลูกดา่าเมียด่าผัวนะมีเงินจะแบ่งปันกันใช้ไม่ไปหลงในอใบมุกนั่นคุณมีธรรมะแล้วดีมากๆกว่าคนหลายคนหลาย1ิบล้านคนไปซ้ำอา้าวนี่คือการปฏิบัติดีทีนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือการหลีกเรนไงคุณเตือนใจ ซึ่งการหลีกเร้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการปฏิบัติการหลีกเร้นตรงนี้พระพุทธเจ้าเองตรัสเอาไว้เองว่าพระองค์เนี่ยบางทีก็หายไปสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างสามเดือนบ้างไปไหนไปหลีกเร้นไม่ให้ใครเข้าพบเลยนะแล้วก็ไปนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างเครคยกรวนธรรมะบ้างแม้แต่ภิกษุที่เอาอาหารบินทบาทไปให้นะั้นก็ไม่ได้คุยกันเอาไปตั้งไว้เฉยแล้วก็หลีกเร้นเพื่อที่จะ เป็นตัวอย่างกับภิกษุรุ่นหลังแล้วก็ให้ประกอบความสุขในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยนอกจากฟังธรรมปฏิบัติส่วนตัวที่บ้านหรือว่าวัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ควรจะหาเวลาไปหลีกเล่นบ้างจะไปหลีกเล่นเป็นส่วนตัวก็ได้หรือหลีกเล่นกับคนอื่นก็ได้นะก็สามารถทําได้เจ้ค่ะค่ะในฐานะที่อโยมเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสอาดทิโตภาโสท่านจะอวาว่าวัดป่ารอนหายโซก แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ไตบุญรือภิ่ปุโนโด้วยนะเจ้าคะ่ะแล้วยมเองก็มีประสบการณ์ในการที่ได้เคยมาเข้ า, าหลักสูตรฝึกอบรมลิกเล้นมาก่อนเนี่ยยมจะทราบซึ่งดีเจ้าค่ะวา่าการลิกเล้นที่วัดปาดรไหศกนั้นเป็นอย่างไรแต่ยมอยากจะขอกราบนำสการพระอาจารย์ไตบุญเจ้าค่ะวา่าช่วยกรุณาสากัชชับหรือที่แจง อ, อธิบายเรื่องของการคําว่าริกเล้นที่เราปฏิบัติกันอยู่ณวัดปาดอนไฮโศกเจ้าคะ่ะ เผื่อว่าท่านผฟังทางบ้านหลายๆท่านฟังมาอาจจะกระจ่างขึ้นว่าคําว่าหลีกเล้นนั้นหมายถึงการปฏิบัติอย่างไรที่เราทําที่หลักสูตรอบรมหลีกเล่นของวัดป่าดอนไฮโศกเจ้าค่ะนิมนต์เ้าค่ะความความหมายของคําว่าหลีกเล้นที่พระพเจ้าได้พู ด, พ, ดพูดเอาไว้เนี่ยตรัสเอาไว้เนี่ยมีอยู่หลายจุดแต่ที่เห็นก็จะมีความหมายเบื้องเบื้องต้นกับความหมายเบื้องลึกความหมายเบื้องต้นเนี่ยก็คือการที่เราไม่ยุ่งกับใครนะมีกิจน้อยขวนขวายน้อยสันโดษในบริการของชีวิต ไม่คุยไม่ยุ่งไม่สบตาไม่สนทนากับใครอยู่คนเดียวโทรศัพท์มือถือฉันก็ไม่โทรสมัยก่อนคงไม่มีนะสมัยโบกาณเดี๋ยวนี้เราก็เอาโทรศัพท์มือถือเก็บนะไม่สนทนากับใครอยู่คนเดียวนะแล้วก็ลีกเลนไปนี่คือการลีกเลนนะมันจะไม่เหมือนกับการอยู่บ้านนะการอยู่บ้านบางทีเราเปิดทีวีเราฟังวิทยุอันนี้ก็จะไม่มีนบางทีเราไปวัดนบางวัดถ้าบางวัดเขามีการพูดคุยกันนะอันนี้ก็จะไม่มีงดไปเลย เราอาหารทำยังไงบางคนก็นยังไปขวนขวายทั้งกับข้าวไปตลาดซื้อข้าวของก็อันนี้ก็จะไม่มีจะมีคนเตรียมการให้หมดทุกอย่างแล้วก็พอทำตรงนี้แล้วเพื่อที่เราจะได้มีกินน้อยขวนขวายน้อยสันโดษในบริการของชีวิตนะอยู่ง่า ย, งายเงียบเรียบง่ายๆนี่คือการหลีกเล่นในความหมายเบื้องต้นส่วนในความหมายเบื้องลึกที่พทุทธเจ้าพูดถึงการหลีกเล่นเนี่ยคือการเจริญสติปัฏฐาน4ี่คือการเจริญสติปนนะัฏฐ า, าน4เป็นการหลีกเล่นในเวลากลางวันทั้งกลางคืน นะซึ่งการหลีกเลนตรงนี้เราก็ให้ปฏิบัติด้วยหลักของการปฏิบัติอนาปานาสตนะิว่าอนาปานาสติเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วสติปัานทั้งสี่ก็จะเจริญบริบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่ว่าเราสังเกตเราไม่ใช่อยู่ตลอดเวลานะนั่นนั่นถูกล้แสดงว่าเธอ อ, อยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมละจิตของเธอเนี่ยจะเป็นไปในแนวทางที่จะเพื่อบรรลุมรผลนิพพานพ้นจากความทุกได้เพราะฉะนั้นที่วัดป่าดอนไนโศเป็นต้นของเราเนี่ยก็จะจัดตรงนี้ให้หมดทุกอย่าง เรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของอ่านการกินเรื่องที่พัคเรื่องการฟังธรรมะให้เป็นที่ที่พอจะหลีกเล่นได้นะถ้าถ้าเป็นอย่างพระสงฆ์ในรุ่นสมัยครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นหลวงปู่สาวอย่างเงี้ยหรือหลวงตามหาบัวเนี่ยคือเมืองไทยสมัยก่อนก็ยังมีป่าเยอะใช่ไหมท่านก็จะไปตามป่า <Okay. S 1> ตามเขาตามถ้าตา ม, ตามอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะไปหลีกเล่นอยู่แล้วซึ่งในสมัยนี้ที่สถานที่แบบนั้นมันหายาก แป่านี่ก็ไม่รู้หายไปไหนหมดมีแต่โรงงานเลยบ้านคนไปหมดก็เลยคงจะต้องมาใช้อาศัยวัดวารามบ้างที่มีการจัดหลีกเล้นตามอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะสามารถได้ประโยชน์ตรงนี้ได้แหละอเจ้าค่ะและสําหรับวัดป่าดอนไหโศกเองนั้นเนี่ยก็โยมยืนยันกับท่านผู้ฟังทางบ้านได้ว่ายังเป็นป่าอยู่นะเจ้าค่ะแล้วก็กุฏิต่างๆที่ให้โยมพักแบ่งเป็นชายหญิงอย่างเรียบร้อยรวมทั้ง การรับประทานอาหารต่างๆนั้นเนี่ยก็จะเคร่งมากในการที่จะแยกชายหญิงแล้วก็มีการปฏิบตัติเรียกว่าปฏิบัติบตูชาอย่างอย่างเป็นประจําทุกวันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เราบรกเลณ์อยู่นะที่นั้นนะเจ้าคะ<ม>ทำให้จิตเราเป็นสมาธิแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าเห็นสิ่งที่เป็นจริงได้ อ, อย่างจริงจังเลยอย่างยกตัวอย่างเช่น ยมเคยพาน้องๆที่เคยปฏิบัติธรรมที่อื่นๆ น, นะเจ้าค ะ, ะปฏิบัติมาหลายที่แล้วล่ะเขาอาจจะมี เ, เล่นบ้างหรือว่ามีการโดย ท, ทั่วไปนะเจ้าคะ อันนี้โยมไม่ได้ไปตําหนิวัดอื่นนะเจ้าคะแต่ว่าอาจจะแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเจ้าค ะ, ะความชอบของของแต่ละโยมแต่ละท่านถูกั้มเจ้าคะแต่ก็มีอยู่ท่านหนึ่งเจ้าคะที่อยากจะขอบอกว่าน้องๆที่ไปกับทางกรมประชารัฐพันธ์ที่โยมพาไปเมื่อปีที่แล้วนั้นเนี่ยทุกคนนี่จะเอ่ยชมเลยว่าอยู่ที่นี่มาที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยได้อะไรจริงๆแล้วก็ ม, มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปอีกเพราะว่าในการกลับไปซ้ํานั้นเนี่ย ทางวัดเองก็จะมีะสิ่งที่เคร่งมากขึ้นสําหรับคนที่เคยปฏิบัติมาแล้ว oh. อันนี้ <laughs> ยมอยากจะขออนุญาตพระอาจารย์ช่วยช่วยช่วยสากกรฉาหรือว่าคุยตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะท่านจะบอกอาฉันไปมาแล้วไงครั้งนึง uh. อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะมีท่านนึ่งนะเจ้าค่ะก็คืออย่างคุณปริชาติกนสูตรนี้ <laughs> ไปมาหลายวัดแล้วละ่ะพอไปครั้งนั้นเนี่ย ไปด้วยตัวเองอีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปถึงสองครั้งแล้วก็ยังจ้งใจว่าจะไปอีกเพราะว่าบอกว่าไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่แล้วก็คุณคุณปริชาติก็มีความสุขมากที่จะได้วิกเลนแล้วก็ปฏิบัติสมาธิคือได้อย่างจริงจริะเจ้าค่ะตรงนี้พระอาจารย์ช่วยช่วยสาธกชานิดนึงนะแม่เจ้าค่ะว่าออถ้าเบื่อ ค, คนที่เคยไปมาแล้วถ้าเบื่อไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์จะให้ทําที่ว่าสูงขึ้นไปอีกตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้ทรงเกิดตรัสไว้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คุณเตือนใจนิดถามถูกจุดนะคือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะจะเคยบอกถึงว่าถ้าเราจะมาพูดข้อดีคือจริงๆอาจจะมาก็เขินนะถ้าเราจะมาพูดถึงข้อดีของแต่ของเราอะนะพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเราอย่าพูดข้อดีของตัวเองนะแต่ถ้าถูกถามจังหน้าเลยอย่างกรณีเนี้ยเราถูกถามจังหน้าเนี่ยเราพูดนิดนิดหน่อยๆได้แต่แต่ถ้าเราไม่ถูกถามเนี่ยเราไม่ได้พูดเพราะฉะั้นก็ในเมื่อถูกถามจังหน้าก็จะพูดได้นิดนหน่อยหน่อยว่าคือเราก็ปฏิบัติตามตามคําสอนพุทธเจ้านะ แล้วก็พระเจ้าสอนอะไรไว้ล้วก็เอามาทําอย่างเป๊ะ เ, ะเลยเราจะไม่หนีจากที่พระเจ้าสอน<ะ>เพราะในเรื่องของคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ย<ะ>เขาอาจจะมีความคิดว่าเอ้ยฉันเคยไปมาหมดแล้วละ่ะฉันอาจจะไม่ยังไม่ไปหรอกหรือว่าฉันไปมาแล้วก็คงจะเหมือนเหมือนเดิมไม่ใช่เนะ่เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งลงไปไเรื่อยพระเจ้ายังมีข้อปฏิบัติที่ลึกซึ้งลงไปอย่างในกรณีนี้เราก็จะมีข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเก่ากิเลสอย่างยิ่งนะ่ยที่ใช้คําวัตถุดงขวัตอย่างเนี้ย ให้ปฏิบัติต่อได้ <Okay. S 2> เราจะยังมีความท้าทายอื่นๆที่ให้ท่านปฏิบัติได้อีกอย่างเช่นว่าการไปอยู่ในเสนาสนะที่ตามที่จัดให้นะเสนาสนะเดียวเสนาสนะที่ส ป, ปายะหรือก็ไปในป่าอย่างเงี้ยคุณจะอยู่ได้ไหมคุณจะกลัวไหมคุณจะทำจิตยังไงคุณจะอยู่กับพวกอะไรที่เราไม่คุ้นเคยได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นความท้าทายเราตลอดที่ถึงแม้คนที่เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ย ก็ควรที่จะมาลองดูเพื่อที่จะรู้ว่าเอ้ฉันจะสามารถทําได้ไหมอย่างนี้นะก็สามารได้เรียกว่าจิตของเราลึกซึ้งลงไปหรื อ, อยังใช่ไหมเจ้าคะ่ะทุตุดงควัตนี่เป็นยังไงนะเจ้าค่ะอยากอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลได้ได้สักการะาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบนิดนึงเจ้าค่ะทุตดงควัตเนี่ยเป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราก็จะแปลว่าข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขูดกลาวกิเลสอย่างยิ่ง เป็นทางเลือก <Okay. S 1> เพิ่มเติมที่ให้ทําได้ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่เป็นถ้าใครต้องการขูดเกาคิเลตอย่างยิ่งคุณทําตรงนี้ได้แ น, น่นอะนก็คือว่าเช่น <Okay. S 1> การรับประทานอาหารมื้อเดียวนะคือลุกขึ้นแล้ววันนั้นกินข้าวมื้อเดียวใช่ไหยกินแล้วเสร็จลุกขึ้นจากที่นั่งเนี่ยก้นลอยจากพื้นจากที่นั่งเมื่อไหร่ปุ๊บหยุดทันทีจบวันนั้นไม่กินอะไรอีกจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นหรือว่าการที <Okay. S 1> ่นอนครั้งเดียวแล้วก็ตื่นขึ้นแล้วไม่นอนอีกนั่นก็คือเว้น จากการนอนกลางวันเป็นต้นออหรือถ้าจะปฏิบัติเคร่งขึ้นมาอีกนะก็คือการที่ไม่นอนเลยทั้งทั้ง24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงเนี่ยไม่ถืออรีบทนอนเลยอยู่ในอรีบท3อย่างคือยืนเดินนั่งตลอดนะคือไม่เอนกายนอนอ่ะนะแต่ถ้าคุณจะไป <c oughs> แอบนั่งหลับที่ไหนเราก็ไม่ตามไปดูหรอก <c oughs> ก็อาจจะทำได้ <c oughs> อยู่มั <c> ้ง <oughs> <c oughs> แล้วก็อันนี้ <c oughs> จะเป็นข้อปฏิบัติที่ทันไดยากคือกิเลส ข, ของเราเนี่ยคุณเตือนใจ มันถ้าเรายังไม่หมดจริงๆเนี่ยนะยังไม่หมดจนเกลี้ยงเลยเนี่ยนะมันก็จะมีช่องให้มันออกอยู่ตลอดเวลาคือถ้ามันไม่ออกทางปากอย่างเงี้ยมันก็จะไปออกทางหลังอย่างอาตมาเคยปฏิบัติทุดดวงเวัตอย่างเงี้ยเรา อ, อย่างสําหรับพระจะมีการงดฉันบินธบาต ท, ที่เขาเอามาให้ภายหลังใช่ไหมเราก็จะฉันเฉพาะอาหารที่เราบินธบาตได้เท่านั้นกิเลสมันออกทางปากไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปออกทางอื่นเช่นไปออกทางหลัง เราก็จะนอนกลางวันก่อนนอนเย็นก่อนนอนตื่นเช้ามาก็ยังง่วงอีกเฮ้ยทาไมามันง่วงมากขนาดนี้ฮะมันขี้เกียจไงกินเหลมมันออกแล้วเราต้องขนาบก็ไปอีกนะด้วยการเว้นไอเดียบทนอนเป็นต้นนะมีถือแค่เอเดียบทสามพอกินเหลมมันไปออกทางหลังไม่ได้มันจะไปออกทางอื่นนะมันจะไปออกทางตาทางหูมันจะฟุง้งซ่านไปนั่นไปนี่เราจะทํำยังไงนะนี่เป็นบายวิธีที่เราจะต้องแก้ไขให้ได้ถ้าเป็นนักภาวนาเนี่ย คุณจะต้องรู้วาระจิตของตัวเองมากทีเดียวล่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะและมีอีกนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ว่าปฏิบัติที่โยมเองเนี่ยไปถึงแม้ว่าไปมาเอ่อทั้งสองครั้งนะเจ้าค่ะแต่ว่ายังปฏิบัติไม่ได้อะโยมว่าโยมไปมาสาครั้งแล้วเจ้าค่ะปฏิบัติยังไม่ได้ก็คือการที่จะต้องอนอนในช่วงเวลา หมายถึง ต, ตี2หรือตี4อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะว่าพระอาจารย์ช่วยช่วยเมตตาสักกะชาตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าท่านฝั่งสนใจก็จะได้ทราบถึงวัดปฏิบัติของเราที่เคร่งขึ้นที่วัดป่าดอนเฮโศกเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอันนี้คือข้อปฏิบททัติที่อั น, ป, อนปันอากาศรำคือคื อ, คอทำที่ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไม่เสื่อมเสียอั้นคือการนอนยามเดียวคือนอนครั้งเดียวเจ้าค่ะแล้วพระเจ้าให้นอนยามกลางของราตรีแล้วก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มถึงตีสออาจจะบวกลบได้นิดหน่อย แล้วแต่บุคคลนะแล้วก็กลางวันก็ไม่นอนนอนครั้งเดียวก็พอเลย ค, นะคือก็ออไม่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่นอนเลยแต่ก็นอนบ้างอย่างนงี้นะนอนยามเดียวถือว่าพอเจ้าค่ะเ<อ>จ้าค่ ะ, อ, คะอันนั้นโยมยังทำไม่ได้นะเจ้าค่ะ <laughs> เจ้าค่ะเดี๋ยวคราวหน้าไปยมจะลองปฏิบัติดูนะเจ้าคะ่ะเราเหลือเวลาอยู่ประมาณสองนาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ภัยบูญและพีปุ โ, น, โ น, นนะเจ้าคะ่ะได้กรุณาสรุปแล้วก็ฝากท้ายในข้อสนทนาที่เราได้สนทนากันในวันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็ในปี2 5ง5นะทิศทางที่ของรายการธรรมรัตนเราก็ยังจะใช้สิ่งที่เป็นพุทธพจนะดําเนินแนวทางไปนะเราก็จะมีครบหมดตั้งแต่เรื่องของการให้ท่านผู้ฟังฟังธรรม ในเรื่การปฏิบัติในเรื่องการตอบปัญหาแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นการหลีกเล่นที่ท่านใหผู้ฟังได้ทําเพิ่มเติมได้แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นใดก็สื่อสารกันมาได้นะเราก็มีช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายทางอีเมลหรือว่าไปที่เว็บไซต์หาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ค่อยๆรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังเราก็จะค่อยปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นๆต่อไปเพื่อให้ผู้ฟังได้มีความรู้เพิ่มเติมหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ สเจ้าคะ่ะและสําหรับท่านที่อยากจะหมายถึงว่าอยากจะทดลองไปปฏิบัติธรรมหลักสูตรหรือเลนตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าง ค, งคร i n g k r i จริงๆที่วัดปาดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหันจังหวัดอุดรธา น, นีนั้นเนี่ยพระอาจารย์ในฐานะผู้อำนวยการก็ยังจัดเป็นประจําทุกเดือนใช่ไหมเจ้าคะใช่ในช่วงปีสองหนะเราก็มีตารางเวลาออกมาหมดแล้วและในช่วงปิดเทอมใหญ่เนี่ยเราก็ได้จัด หลักสูตรเอาไว้ถึงสาหลักสูตรที่จะรองรับบุคคลที่จะมาในช่วงปิดเทอมใหญ่จะเป็นนักเรียนครูบาอาจารย์ต่างๆก็จะมาช่วงนี้ได้ก็ให้ไปติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หลวงพ่อ doctor com หรือว่าก็จะจริงๆแล้วตามถ้าเขียนจดหมายมาที่วัดเราก็สามารถส่งตารางข้อมูลต่างๆไปให้ได้เจ้าค่ะหลวงพ่อ doctor ก็สะกดด้วย l u a n g p o r d o c t o r com เจ้าค่ะก็อันนี้ก็จะมีะรายละเอียดว่าแต่ละเดือนนั้นเนี่ยจะมีหลักสูตรเมื่อไหรนะเจ้าค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไร่แล้วเราจะต้องเตรีมตัวอย่างไรบ้างในการาที่จะไปร่วมและที่สําคัญที่โยมอยากจะขออนุญาตเรียนย้ำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบก็คือการไปร่วมหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกอของทางพระจาจาร์ภัยบุญอภิปุโนและพระเดชพุกุหลวงพ่อดออ่าสะอาดที่ตัวผัสศูนั้นจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ ทางวัดนั้นได้ดาเนินการติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและคนที่ไปนั้นก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าถ้าหากว่าตั้งใจจริงๆในการปฏิบัติธรรมรกษ์เล่นแล้วก็จะสามารถจิตของท่านจะสงบลงได้แล้วก็เป็นสุขอยู่ได้ใน ที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออันนี้เดีนยืนยันได้เลยนะคะค่ะพระอาจารย์เจ้าขาอยอมคิดว่าหมดเวลาแล้วคงจะต้องกราบมานมัสการพระอาจารย์ในในเสราร์อาทิตย์หน้านะเจ้าค่ะก็จะมีเรื่องราวที่เข้ากับเหตุการณ์หรือว่ามีคําถามที่ดีที่เกี่ยวกับธรรมะที่เป็นมงคลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกผู้ฟังทางบ้านมากราบนิมนต์ แล้วก็กราบถามพระอาจารย์เหมือนเช่นเคยสำหรับในเช้าวันนี้โยมขออนุญาตที่จะนําท่านผู้ฟังจางบ้านทุกท่านเจ้าค่ะได้อากราบขอบพระคุณพระเดษีพระคุณหลวงพ่อดรสอาดที่ทุพโศอ่าท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศแล้วก็กราบขอบพระคุณและกราบน้มัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพระอาจารย์ของเราเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเตือนบาลสาธุเจ้าค่ะ